เดียวเลยนานย้อนลมเด็กไม่นานนะ <c oughs> แล้วก็อาจจะนานแบบไปเดินเทีย่ยวหา้างเที่ยวห้างแป๊บเดียวนะของสามชั่วโมองวันละแต่ก็ดีนะที่มันรู้สึกมันแป๊บเดียวเพราะแต่เพอเราได้สร้างตัวรู้ ในเย็นนะจริงเวลามันหลงเนี่ยมันผ่านไปเร็วเลยหลงเพลในสักอย่างแค่เดียว่าแต่พอรู้ตัวเนี่ยก็เออเราที่ทำอะไรท้งเยอะแม้จะอาจจะมีความหลงบ้างนะเป็นไงบ้างเวลาใน ได้ทำเป็นจีิงๆนะอาจจะเป็นแค่วันหนึ่งเบื้องต้นสำหรับบางคนใหม่ๆนะแต่หลายคนก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะเป็นเดือนเป็นปีแล้วแบบคนใหม่ๆเป็นไงบ้างคุณการเจนาเป็นยังไคุณเคยทำแบบเสียเทียน ก็รู้สึกว่ารู้รู้รู้สึกตัวได้ดีได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทํำแบบตัวหายใจก็หายใจออกมาดีแล้วหลงแล้วกหลับไปเรื่เนี่ยอันนี้แบบเหมือนเราจะต้องคอยตามจังหวะให้ถูกว่าจะต้องนี่นี่เนี่ยเราให้ให้เรารู้สึกตัวสติอยู่กับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ก่อนตอนมีเด็กนะไปมาก็นั่งแบบพุทธองก่อนอนอนเลย <c oughs> ะจะได้ตอนนั้นก็คิดว่าจะได้นอนหลับสบายอะจะได้สมองดีเรียนหนังนสือเก่ง <c oughs> อ, <c oughs> อะ ก, ก็ก็ทําไม่กี่นาทีก็ง่วงนะแล้วก็อะไรซึ่งมันก็ดีนะดีอย่างนั้นก็ได้พักผ่อนแต่แต่ถ้า ครูบาอาจารย์ที่ทำพุโทโธจริงๆท่านก็อาจจะไม่เน้นไม่ได้เน้นแค่การพักผ่อนแต่ท่านเน้นคำว่าพุโทโธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานถ้ายะพุโทโธจริงๆก็คือเป็นเพียงแค่คําแต่ถ้าตัวจริงๆก็ต้องใช้สภาวะรู้ตื่นเบิกบานด้วยไม่ใช่แค่สงบแต่ก็เหวิธีดีมันก็เหมือนการพักผ่อนนะ ถ้าเราหลับเราก็ยกลมดิ้นขึ้นถ้าเราลืมตัวมันก็หลงท่าอนี่ก็เป็นการบังคับทำให้เราต้องอตื่นกลับมารู้สึตื่เหมือนเราขับรถเลยเนาะถ้าหลับในก็ตกก็ชนแน่เลยมันบังคับต้องตื่นนะง่วงขนาดไหนก็ต้องมาอยู่ในทางนะแล้วรถแบกเดือที่ทําอย่างนี้นี่เราเป็นเหมือนเคยได้ยินว่าเขาไม่ส่งจิตออก อย่างนี้ถ้าเรทํารื้อเป็นการส่งจิตภายนอกไหมคนะอยองเข้าใจว่าส่งจิตออกนอกอยองเข้าใจ ไ, <c oughs> ไว้ยังไงก็คิดเราไว้นอกตัวคิดทำไปนอกมันถามว่าถ้านที่ทำแบบนี้มันส่งไหมเวลาเราทํางานเราพูดคุยกับคนอื่นมันส่งไหมส่งมากเลยนั่นแหละคือโดยธรรมชาติถ้าเราไม่ปฏิบัติค่ะ จิตมันจะส่งออกนอกทั้งหมดเลยอย่างที่มาบอกว่าเน่ยเเดินเนี่ยจิตเราก็จะส่งออกไปสองข้างทางหรือบางทีก็อาจจะไม่ส่งที่สองข้างทางส่งไปในความคิดคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือคิดกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่คือเขาไาส่งจิตออกนอกขึ้นนะคือไม่รู้ตัวตัวเองนี่แหละแต่ไปในข้างทางก็ดีหรือไปคดีคดีไปแนวพลศรี เีว่าตกติดออกนอกทั้งหมแต่ถามว่าเราจะบังคับให้มันไม่ตกติดออกนอกเลยได้ไหมในในที่ใสของผู้ที่มันสุดอยู่บังคับไม่ได้ต้องต้องเข้าใจนะมันบังคับไม่ได้หรอกที่จะไม่ให้มันไม่ตกออกนอกแต่การมีสติเหมือนกันเรียกมันกลับมาเมือนเราจะบังคับให้เด็กว่าอย่าไปเล่นต้นนะอย่าไปทานที่นั่นที่นี้นะ เราบังคับไม่ได้แต่เราเหมาะพอมันไปเราเรียกเขากลับมาหรือเรา่าเขากลับมาใช่ไหมเหมือนเราฝึกหมาเราจะ บ, บังคับว่าหมามันต้องอยู่นิ่งๆิอย่าดื้อ น, นะเราพูดได้นะแต่ทํามไม่ได้แต่วิธีเราเ ค, ค่อยๆฝึกค่อยๆเรียกชื่อมันค่อยๆดึงมันพอสักพักมันคุ้นมั น, ม น, น, มนเชื่องมันก็นจะอยู่ของมัน จิตของเราก็เหมือนกันเราบังคับให้จิตมัน อ, อยู่เฉยๆอยู่กับเนืกับตัวตลอดเวลาไม่ได้แต่การมีสติคือค่อยๆทําให้มันกลับมากลับมาพอมันกลับมามบ่อยๆพอมันเถื่อส่งไปมันจะรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าเออหลงไปแล้วนะมันจะกลับมาบมเองนะครแต่ตออัองระวังอย่างคือบางคนกลัวกลัวจะคิด ว่าจิตจะตกออกนอกก็เลยก็เลยส่งส่งเข้าในคือจ้อมเกินไปกลัวมันกลัวมันจะไม่รู้หรือว่ากลัวมันจะคิดอะไรนะก็เลยบังคับไว้อย่างที่มาบอกโอยมว่าคือหลวงพ่อบอกไม่ให้คือให้รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในไม่เข้าแต่ทั้งในมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเออกิดต่อไปแต่ทั้งนอก มันให้มันรู้ตัวสบายๆวันหนึ่งเป็นไงเนใครจะพูดใครจะถามใครจะสงสัยแล้วก็เจนเนาะเราจะได้เหลือบางทีอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตเราที่ได้มาปฏิบัติที่นี่ก็ได้ได <c oughs> อาจจะน <c oughs> มันก็ไม่แน่นะ นถ้าเรามองทีวิตบางทีมันก็ไม่แน่ฮ ะ, ค, ะคนเราทุกเนี่เพราะวใจจิตมันไม่เป็นกางใช่ไหมโยวมใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราจะปฏิบัติยังไง น, นะที่ว่าทำให้จิตมันเป็นเป็นกลางได้มากที่สุดโยมมีรูปไหมมีค่ะมีค่หลักมากไหม ก็คือจิตไม่เป็นกลางนะใช่ไหมคะมีคนที่เราไม่ชอบไหมก็มีครับทุกเหมือนกันไหมใช่ไหมรักก็ทุกไม่รักก็ทุกแต่มันต้องมีวิธีเหมือนกันนะคือว่าคือเราก็รู้ตัวว่ารักคนนี้อยู่รู้ตัวว่าไม่รักคนนี้อยู่รู้มันจะเหมือนคล้ายๆเห็น ก็ยังรู้ว่าเราก็ยังมีความรักเข้าอยู่ยังมีความไม่ชอบเขอยู่แต่พอเราเห็นนะมันจะค่อยๆถอดออกมาเห็นว่าไอ้ความรักก็ส่วนหนึง่งความไม่รักก็ส่วนหนึง่งเหมือนที่เรามันจะคิดเราก็ห่ามไม่ได้มันจะรู้สึกอะไรเราก็ห้ามไม่ได้นะแต่ถึงแล้วบ้าพอเราถอดออกมาเป็นผู้ดูนะเหมือนเราจะเมืนความทุกมันจะมันจะน้อยลงหรือว่าเบาลงอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่ทุกข์เลยแต่ ถ้าจิตฝึก ด, ดีจริงๆก็มันก็รักอย่างที่เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์ฝนพูดมามันจะเป็นความรักที่มีอุเบกขามีมีความใว่ายาอย่างนี้นเยคือเราก็ดูแลเขาเต็มที่แต่ถ้าถึงที่สุดแล้วเขาจะทุกของเขาช่วยเขาไม่ได้เราก็ังมีอุเบกขาปล่อยใจไ ด, ได้เหมือนมีตอนหนึ่งนะ มีตอนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของพ่อเทียนของพ่อเทียนท่านก็เทศสอนแง่โยมเทศสอนแง่โยมอยู่ก็มีคนที่บ้านท่านก็มามาเรียนท่านว่านุ่งชายของพ่อเทียนเสียของพ่ะเทียนท่านรับฟังคล้ายๆเขาคิดว่าเเรื่องน่วนขอมาขัดเวลาขณะที่ของพรอเทียนเทศสอนบอกพุทธชายเสียก็คงคิดว่าแบบหนุ่งเสียจะได้รีบกลับไปงานศพนะ ขเขาที่ได้ฟังแล้วก็ ก, ก็ให้เขาออกไปก่อนะเทศต่อสอนจนจบพ่อบอกว่าพวกคนมันตายไปแล้วจะช่วยอะไรได้ไอคนนี้ยังยังเป็นเพอยู่ก็สอนมันก่อนคือคนตายก็แค่แค่จัดงานศพก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่คนที่เป็นเนี่ยหน้าที่ที่รังกลังสอนได้คือมันก็จะถามว่าท่านไม่รักไหยก็ท่านก็รักแต่สิ่งว่า เสียแล้วก็ไม่ทุกข์ส้วยเนาะเพราะว่ามันมันรู้ว่าเป็นธรรมชาติเมื่อไหรที่จิตเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติแก่เจ็บ ต, ตายอะไรแบบนะพอคนที่เรารักเกิดเหตุการณ์มันขนึน้่งจิตมันจะเป็นกลางของเองเพราะว่ามันเห็นว่าเป็นธรรมชาติเราฝึกกันนะฝึกมันเป็นพอจิตเราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติมันก็ มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับไม่ใช่แต่ล mm. right. mus ูกสาวเนาะคนอื hmm. like tiempo, like ่นก็เก so, um, ิดมันจะคิดได้กับมันเองแบบนี้มันไม่ใช่ว่าการคิดแบบเข้าใจนะแต่เป็นการคิดแบบปโงใจการคิดแบบปโงใจมันจะมีรูปแบบหายอมรับความจริงม่จะติดเองหรือถ้าเราก็รู้สึกว่าเสียใจถ้าเรายังยังทัานนะก็เสียใจอยู่แต่เราเห็นน้อยแต่ไม่ความเสียใจก็ส่วนหนึ่ง แล้วพอเรามีสติมันก็จะออกจากความเสียใจพอขาดสติกล้วก็เสียใจแล้วพอเพอมีสติก็ออกจากความเสียใจมันอย่างน้อยเสียใจหรือว่าทุกข์แต่มันจะสั้นสั้นมันจะไม่มากนะ <c oughs> ในใคล้ายเหมือบเรามันมีเชื้อไฟเราไม่เอากระดาษเข้าไปเติมไปหรือว่ารู้เอาเผอเอากระดาษเข้าไปแล้วก็เช่ามันออกมามหลงอีกก็เอาเชื้อเข้าไปอีก แต่พอรู้ตัวเราก็ชักมันออกมาเปลวไฟนั้นก็จะมีเชื้อน้อยพอถ้าพักหนึ่งมันก็จะวางใจได้ ค่อยๆยกเพื่อจะเอาสติจัานะคะจะได้รู้เป็นแต่ละครั้งแต่ครั้งต่นี้ตัวเองสังเกตจากตัวเองนะคะไม่ทราบคนอื่น เ, เป็นไงคือถ้าถ้าช้าเนี่ยมันเพงสําหรับตัวเองนะคะแต่ถ้าปล่อยไปหน่อยไม่เพงแล้วก็รู้สึกได้นะคะหลมไปบ้าไปคิดไป มันก็ไม่ใช่ว่าตลอดเวลาเราจะเป็นแบบนี้นะบางทีเราง่วงเราก็ทำเร็วขึ้นอืมช่ไหมบางทีมันฟุ้งซ่านก็กําหนดมันชัดขึ้นก็นเหมือนเราขับรถเราจะบอกว่าเราขับแปดสิบตลอดก็ไม่ได้นะรถข้างหน้าหกติดเราก็ต้องแซงแล้วก็ต้องเลี้ยง่ไ ม, มันมันคือมันเราก็ขับมาตรฐานประมาณเนี้ยแหละนะแต่พอจังหวัดเร่งมันก็ร่งจังหวัด ชาแล้วปัจจัยแล้วก็แต่บางทีก็บางทีแล้วก็เอาไปประยุกต์กับชิ้นประจําวันนะบางคนมือถ้าทําปฏิบัติมันทําช้ามากๆบางทีเอาไปใช้ชิ้นประจําวันบทีที่เราต้องทํางานต้องเดินเร็วๆต้องอะไรต่างๆมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าที่เราต้องการฝึกให้มันค่อยๆชิ้ประจําวันเพราะว่าพอเราไปทําในเรื่องอื่นต่อมันก็จะหมืนต่อเนื่องไปเลย แต่ถ้าทําทําเร็วก็บางขนาดถ้ามันฟูซ่านมากแล้วก็อยากนห้มังมีจังหวะหยุดให้มันชัดสักหน่อยนะอาจจะเคลื่อนเร็วไม่เป็นไรแต่ว่าหยุดนี้มันเคลื่อนอ่ะไม่เป็นไรให้มันมีจังหวะหยุดชัดมันก็จะรับให้บางทีบางทีพนทําเร็วๆทําแบบในสติที่เป็นอัตโนมั่ะ บางทีถ้าบางคลเคยคิดในการคิดเคยคิดอะไรมันก็จะไหลไปได้ง่ายการดูดกไปะช่วยให้มนเบรกความิดไปได้ตัวเองถามใ น, นข้อนะคะเวลาเดินนะคะที่ว่าต้องรู้สึกเท้าก้าวแล้วก็ไปที่พื้นแตใช่ไห ะ, ะแต่ตัวเองจะรู้สึกทั้งตัวะคะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ไปชักที่เท้ามันกลับไปชักที่หน้าเช่นขยับปากนะคะเพราะตัวเองจะถ้าช่วงหน้านะคะตัวเองจะชัก ชาติขอชุม่มอื่นนะคะไม่ได้สดมนอะไรได้ได้ไม่ใช่จริงจริงถ้าถูกที่สุดก็คือรู้สึกตัวทั่วคอมนะ่ะรู้รู้รู้ทำตัวแหลแล้วก็บางขนาะมาขนาะมันยมเด่นที่หน้าบางคนรู้สึกเด่นที่หน้าบางคนเด่นที่เท้าก็เด่นที่เท้าแต่พอมารู้สุดตัวทั่วคอมไม่ใช่ว่ารู้เพียงแค่อวัยวะส่วนเดียวของของของเราแต่จริงรู้ ดูไปทั้งหมดนั่นแหละแต่เพียงแล้วมันเด่นส่วนใดแบบนี้เนาะเหมือนเรารู้หนังอนาะเราก็ดูไปทั้งจออะไรแต่สมมุติถ้าพระเอกเขาพูดมันก็จะไปเด่นที่พระเอกที่พูดใช่ไหมคนนี้พขาแสดงกตะกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยน้างายของเราก็เหมือนกันบางทีเราเดินมันก็เด่นที่เท้าบางทีก็เด่นที่หน้าบางทีก็เด่นที่ลมมาสัมผัสบางทีก็เด่นที่ใจเราตลอกไม่ได้เพราะที่จริง มันเกิดตลอดเวลาใช่ไหมมันต้องหายใจเข้าออกตลอดเวลาแต่ถ้ามันไม่เด็นเราเก็เองไม่รู้แต่บางทีเรามีเหนื่อยหายใจเข้าอัดรูละอืมพอหายใจธรรมดาไม่รู้<อ> ก, ก็ได้เหมือนกันเรื่องจิตเป็นฟางค่ะจิตเป็นฟางกับกลง คือรถยนต์นี้มีน้องมาบอกว่าเราันเรียงค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเราให้โอกาสกับคนที่เขาคิดว่าเขาเป็นการการเรียนะให้กลับโยมค่ะซึ่งโยมก็เห็นว่าเขายอมรับผิดจริงๆว่าเขาคือตอนนั้นเขาค่อนข้างจะไม่รับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็จะหายไปอยางวุนตั้งที่แต่พอคุณยกับเขาแล้วเขาบอกว่าอืมผมรับผิดครับแล้วผมจะปรับปรุงตัวผมจะไม่ทําให้พี่เสียใจแล้ว แล้วคราวนี้เรามาดูที่หลังว่ามันมากกว่านั้นอีกหลังจากที่เราเตือนเขาไปแล้วเขาก็ยังไม่ป้อบกุมตัวก็เลยคราวนี้เวลังคิดว่าจากขอกไปเตือนนี่เขามันดูแรงเลยไหมคะเพราะว่าเขาคนอื่นจะเห็นว่าเราให้โอกาสาเขามากเกินไปค่ะ <laughs> ขเขาก็เลยคิดว่าเราทำที่ด้วยอแม็กก็พี่คีมันมบอก มไม่มีมาตรฐานแต่ตัวก็เอาเอาที่เราสบายใจเลยอะ <c oughs> จริงนะมันเหมือนเหมือนวิธีเลี้ยงลูกอะมันจะบอกมาตรฐานว่ารบางคน ก, ก็ต้องตีลูกถึงจะดีบางคนต้องไม่ตีลูกอะไรเนี้ยก็คือมามารู้สึกนะเหมือนไม่มีมาตรฐานในตัวว่าอะไรถูกพ่อมาว่าแต่ก็ต้องดูองคอ์กรดูบุคคลว่ามันเหมาะแบบไหนใช่ไหม มันถึงจะทำให้เกิดการพัฒนาหรือว่าเกิดการยอมรับในในตรงนั้นมันไม่ใช่มีสู่ปลา <S <S แต่คำว่าเอาให้เราสบายใจคือว่าเรารู้สึกว่าที่เราทำกบับเขาอะมันไม่ใช่ทำารืวองตอบโกนแต่ทำเรื่องการที่หวังว่าหวังดีในการที่เราจะไปช่วยเขานะแต่การช่วยบางทีก็ไม่ใช่คาว่าช่วยคือต้องแบบต้องตามใจต้องแบบ ไม่เอามันถึงว่าไม่ดกไม่ด่าก็ไม่ใช่บาทีเราก็ช่วยเขาในการบางทีมีการลงโทษก็เป็นการช่วยให้ให้เขาได้คล้ใยๆได้จําหรือว่าได้พัฒนาตัวเองเนี่ยแต่ที่จริงก็คือพื้นฐานวะ่าสิ่งที่เราทำนะ่ะก็ทําด้วยเมตตาหรือทาด้วยความโกรธใช่ไหมอันนี้พงศมนิหารที่จะมา ที่แกเอามาเป็นตัวประกอบน ก, การทํางานนั่นแหละแต่เราทําไปแล้วแน่นอนนะเราทําอะไรมีคนเข้าใจเรามีคนไม่เข้าใจเรามีคนชมเรามีคนไม่ชมเราซึ่งมันเกิดกับตุกคนนั่แหละแม้แต่พระเจ้าเองก็มีคนตำหนิท่านมีคนชื่นชมท่านใชแต่ถ้าเราฝึกใหญ่เราจะเห็นว่าองมันเป็นธรรมดาแม้เรา เจตนาเราเร า, เาเก็จะเจตนาตัวเองหนึ่งแบบนี้แต่คนไม่เข้าใจเจตนาเราก็มีคนว่าเราลำ เ, เอียงก็มีคนว่าเราโอ้คนว่าเราเป็นคนใจดีให้กับใคคนก็มีนะอจู่ก็ดูดูเจตนาของเราแล้วก็เอาเจตนานั่นแหละเ ป, เป็นตัวเป็นตัวเอาไปเรื่องวิธีการที่เหมาะสมกับคนนะั้นหรือว่าให้เหมาะสมกับองค์กรที่เรา ที่เราทําแล้วก็สุดท้ายก็ยอมรับผลที่มันตามมาก็คือว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยบางทีก็อาจจะเราคิดว่าเป็นการช่วยเขาแต่อาจจะไม่ช่วยก็ได้คือก็ไม่ใช่ว่าเราผิดนะแต่หมายถึงว่าเราก็ทําตามที่สติปัญญาความสา ม, มารถเราเราทำได้แล้วแต่บางทีเขาไม่คิดตัวเองก็เรื่องของเขาหรือบางทีเราก็ไม่เข้าใจที่แท้จริงแล้วก็ แค่นั้นมันก็เรีว่าเหตุปัจจัยนะมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างแต่เราก็ทำตามเหตุตามปัจจัยที่เราสามารถทำได้แล้วก็นอกจากคนที่เราเกี่ยวข้องแล้วคนอื่นที่เขามองข้างนอกเราก็ห้ามไม่ได้เราเปลี่ยนแ้วคอยรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบไหนเวลาคนชมเราเรารู้สึกแบบไหนเวลาคนตำหนิเรา มารู้สึกแบบไหนถ้าใจเราเป็นการใจเรามั่นคงนะจริงๆครับว่าเป็นการไม่ใช่ว่าไม่ทำเตี้งนะแต่เป็นการใจตั้งมั่นก็คือว่าไม่หวั่นไหวถ้าจะไปจริงไม่หวั่นไหวคนจะโกรก็ไม่หวั่นไหวคนจะตันหนิ ก, ก็ไม่หวั่นไหวหรือถ้าไหวก็กลับมาไหวก็กลับมาได้เร็วนี่คือมั่นคงก็คือมั่นคงเพราะว่าขณะที่เราทา เรารู้ตัวว่าเราทําด้วยเจตนาไหนนะเราเราก็ไม่ไม่หวั่นนะก็เรารู้ว่าเราทำด้วยเจตนาไหนเราตัดดินใจไปแล้วแล้วเราก็ยอมรับผลที่มันตามมา <c oughs> ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี กสาวก็เลยมีคำถามว่าเออหลงที่เราได้ดูอะค่ะว่าพุทธองค์หรือพระอาหารสาวแห่งเนี้ยค่ะถ้าสมมติไม่ไม่สมมตินะคะนิพานแล้วโดนจิตแตกดับไปหรือเปล่าะค่ะพระพุทธเจ้าท่านท่านเกียรเพีถึงการนิพานเหมือนกับเหมือนกับเปีวเทียนที่สมมติ มันเราจุดเนกรทั่งมันมันหมดไส้เทียนหมดเนื้อเทียนมันจะถามว่าเราเราเปลืเทียนนั้นมันหายไปไหนมันหายไปไหนมันก็เิดอย่างว่าไม่มีเชื้อให้กลับมาเกิดอีกแต่ถ้าเรายังมีเชื้อตอดกิเลสก็คือว่าเหมือนกับไฟ่เทียนของเราจะมีตัวเนื้อเทียนยังมีใส้อยู่ แม้วันนี้มันดับดับด้วยการตายนะแต่มันก็ไปเกิดใหม่ด้วยพวภูมิใหม่ที่มันต่อไปก็ราะมัน ม, มีเหตุเยอะจิตของข้าราชารก็คือเหมือนใต้ก็ไม่มีเนื้อก็ไม่มีแต่ถามว่าหายหรือเปล่าแต่ถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มันก็ได้ทั้งนั้นแหละอื ท, ที่ยังไม่ดับขันจะนิพานทียงยังไม่ได้ตายคือนะจิตมันก็ยังมีจะมีมีโดยสภาวะขันขันังห้าก็ยังมีอยู่เป็นจิตที่เรียกว่าลองรับที่เกิดขันแต่เพียงแต่ไม่ยึดนะขันนั้นก็ยังมีจิตที่มีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังมีเหมือนพวกเรานะพิจารณาว่าการไม่ยึดมั่นในขันนัว่าเป็นตัวเรามันต่างกันตรงไน เฉิยนะครับี่ในทาผู้เชี่า ต, ต่อไปนหน่อเนี่คือต่อให้เราเพปฏิบัติฝึกไปขนางไหนเนี่ยเฉิีมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เชิงกับแมางว่าก็ยังจะมีแนวโน้ไปทำนั้นอยู่อย่างผมเนี่ยตั้งตัวเลยเนี่ยคือมันจะหนักไปทางวิรจารณีกร่กับพูดทีเฉิี่ยกึ่งๆดีไปดีมาแล้วก็ระหว่างที่ฝึกเนี่ยพ อ, อไราแขงแรมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว ไม่เลยมันจะหายวะาใจไหมครับคือไม่ได้เห็นชัดว่าอ๋อบิตกเกอร์เปเป็นอย่างนี้เนี่ยกูที่เะอร์เด็ี่ยนเป็นอย่างนี้นะถามว่ามันหายไปไหมมันก็ไม่หายไปแต่มันไม่ได้ลากอมไปหมอก่อนนะครับแต่มันผมมาบ่อยตัวนากข่าว่ันมีขนาดนี้เนี่ยได้เห็นชัดว่าคือไม่เหมือนเด็กกำหรือเปล่าแบบอ่านี้แม่ผมก็จะอยู่กับเราไปเลยคือมันก็เป็นกรรมในาดีตที่เราทา จะถามว่ามันจะเปลี่ยนไหมมาว่ามันเปลี่ยนได้แต่อาจมันก็แต่บุคคลนะมายถึงว่าเช่นเราแล้วก็วิโตะจะดิบ ม, มาไม่รู้กี่พ้กกี่ชามันก็ไปส่งผลชาตนี้มันก็วิตกมากบางคนอาจจะเพิ่งสมมติก่อนๆนั้นก็ไม่ได้วิตกมากแต่เพิ่งมาวิตกเมื่อเมื่อไม่นานนะโอกาสที่มันจะเปลี่ยนได้ก็ก็มากกว่าะมันก็เหมือน แต่ล้ๆเหมือนกับเราเป็นโลกคืออย่างถ้าเราเป็นโลกเช่นถึงว่าเป็นมะเร็งจนถึงขั้นระยะที่สี่ระยสุดท้ายแล้จะมารักษาสามารถก็มีโอกาสไหมมีโอกาสแต่ก็ยากกว่าคนที่พึ่งเป็นแล้วก็พึ่งม า, มารักษาแต่จะดิบที่แต่ที่ จ, ทจริงจะดิบเราแะไรนะเนาะเป็นในการปฏิบัติทำเราไม่ได้เน้นเพื่อแก้จค่ิบ เพื่อให้รู้ทันเจติตของตัวเองเมื่อเรารู้ทันเจิตในี้ใส่ของตัวเองอ่ะมันจะเป็นตัวเนี่ยฮะคอยคอยทาให้เราได้เห็นว่าเออเราหลงเป็นวิตกิดแล้วเนาะเราหลงเป็นปวยแล้วเนาะตรเนี้ยพอกลับมาเห็นตัวเองมันจะกลายเป็นเราก็จะตื่นออกมาจากจากเรียกว่านี้เจติดนี้ใส่เก่าๆของเราเราก็จะดูต่อมาพอดูออกมาปบ่อยมาว่าแม้มันจะมีเจิตเหมือนเดิมแต่ที่เคยทําให้เราทุกข์มาก คราวนี้มันก็มีทุกข์แล้ก็จะยังเป็นคนวิตกกังวลอยู่แต่ก็เห็นว่าเราก็จะใช้ความวิตกกังวลนั้นในการเตรียมตัวเตรียมอะไรต่างๆเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่เครียดไม่ไม่เครียด เ, เพรความวิตกแต่ก็เป็นการใช้ในการวางแผนใช้อนะไรต่างๆซึ่งตรงนี้แหละมันก็บางคนเป็นโทสัตย์กรดโกรธโมโหบ่อยแต่ก็ แต่ก่อนไม่เห็นตัวเองไม่ทันตัวเองก็โกรธก็เครี้ยวกลาดนะนะอาละวาดใช่ไหมแต่พอเรารู้ทันตัวเองมันก็แค่อาจจะรู้สึกโกรธมึนหงิดในใจแต่ไม่ออกออกไปมันก็ยังเป็นจิตเหมอนเดิมแต่เปล่ยนแปลงว่าถ้าเราถึงขั้นเห็นที่จริงนะถ้าเปิดปัญญาณเห็นว่าไอ้จิตในใี้ัยมันเป็นเพียงแค่เครื่องปรุงอาการของจิต อาการที่จิตมันวิตกอาการที่จิตมันโกรธอาการที่จิตมันหลงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงแค่อาการแต่จิตเดิมแพ้แล้วมันไม่มันไม่เป็นอะไรเมื่อไหร่ที่เราเห็นแบบนั้นแหะมันจะมันจะคลายอาการยึดมั่นถือมั่นว่าแค่กจิตนี้สัยก็คือสมมติที่เราไปไปถือเองเมื่อเราเป็ี่ยนแบบนั้นแบบนี้แต่จริงมันเป็นเพียงแค่อาการที่ที่มันเคยสะสมมาแบบนั้นเฉย แต่มไม่ใช่เราจริงๆมันเป็นเพียงแค่อาการที่มักเกิดขึ้นบ่อยกับจิตนี้แต่จิตนี้ก็ไม่ใช่อาการนั้นมันจะแยกได้เนี่ยเพื่อว่าอาการของจิตสกิตเดิมแทนคุณเบิ<ะ>้นต้องจะพูดดว้วยใส่แต่งเข็นซๆๆไปใช่ใช่เห็มบ่อ ย, อยเจินท่าน เหมือนอย่างปาฏาที่หลวงพ่อใช้นะไม่เป็นอะไรกับอะไรคือมันมันเป็นเพียงแค่อาการแต่เราไม่เป็นด้วยมันเป็นเม็ดคือไม่ว่าจะกับร่างกายนี้ก็ดีกับจิตใจนี้ก็ดีคือไม่ได้เป็นด้วยถ้าจะเป็นก็เป็นโดยสมมุติสมมุติก็เป็นพระสมมติเป็นพ่อเป็นแม่สมมุติก็เป็นอ่าคารวะทั้โหมคือเป็นโดยสมมุติเป็นคนป่วยแต่โดย ความเดินแท้ที่เราสามารถเข้าถึงจิตเดินแท้ได้มันก็เล ย, ยไม่เป็นอืน mm hmm. แต่เราก็ฝึกขณะที่เรารู้สึกตัวจริงเราก็ไม่เป็นนะแต่พอเราดืมตัวเราก็เลยเปลอไปเป็ี่ยนเนี่ยที่เคยเคยเป็นแค่แคนั้นแต่พอเราเห็นทางเนะี่อ๋อนี่แหละการนั้นการเปลี่ยนจิตนิสัยไม่ใช่ประเด็นน่ะแต่การบุกออกมาจากจากพักนาที่มันเกิดขึนน้นกับจิตทุกอย่างเนี่ยแหละมันสําคัญกว่า เช่นวันไหนที่เรานิ่งวันไหนที่เราสงบเราจะใช้แบบอนาปานสติวันไหนที่เราสับสนวุ่นวายเราจะใช้แบบเคลื่อนไหวมันจะส่งผลดีหรือว่าผงเสียคะควรจะใช้แบบเดียวหรือแบบไหนคะ <c oughs> เอาแบบที่เราเข้าใจง่ายสิ่สมาธิปัญญาถ้าเราเดินทางตรวนี้เนี่นะก็ก็ไม่ผิดฐานุระเจ้าแต่ถามว่าธรรมถามันต้องเพื่อต่อวิปัสสนาด้วยคือว่าถ้าเราทําท้องสงบสงบเพื่อพักพักเพื่ออะไรพักเพื่อเพื่อทํางานในการเดินปัญญาต่อมันจะเพื่อกกแต่ถ้าสงบแล้ว เป็หลงกับนิมิตไปติดกับอาการของสมาธิมันจะทําให้เราเนิร์ดช้าคนสงบมากเป็นขี้เกียจที่เหมือนไม่อยากทํางานไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้คนเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งตานะ่างๆนี้ยมันเป็นตัวรบกวนความสงบถ้าสงบแบบนั้นมันจะเป็นตัวทําให้จิตมันการเดินปัญญามันจะเนืร์ดช้าแต่ถ้าสงบแค่ให้จิตได้พัก ภาคจาความคุ้งสร้างได้มีกำลังขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต่อมันก็จะได้แต่ที่จริงถ้าฝึกแนวสติปัญญานไม่ว่าจะเป็นอานาก็ดีนะักหรือว่าเคลื่อนไหวก็ดีที่ความเข้าใจอันมาคือที่จริงมันเป็นทั้งสมถะแล้ววิวปัสสนาเป็นในตัวคือเราจะบ đầu, อกว่าเราเปลนเนี้ยเป็นแต่วิปัสสนาก็ราง่ที่จริงเรามีเจตนาเคลื่อนเจตนาหยุด ก็เป็นสมาะที่ในตัวของมันแต่ทีนล้วว่าเราเอาตัวสติเป็นตัวนํำนะไม่ใช่เอาตัวสมุขเป็นตัวนําก็แค่นั้นแต่พอทําไปที่จริงเหมือนเราเมื่อตอนที่เรารู้สึกกับกายเป็นหลักเนี่ยที่จริงก็มันก็ค่อนข้างทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นใช่ไห ม, มแต่ถ้าถ้าโยมอยากจะประยุกต์ั้องหลายๆอย่างรวมกันก็บางทีมันก็ได้เช่นบางทีเราก็นั่งสมาธิสักหน่อย นั่นให้จิตมันระบอกได้พักแต่พอเราไปทําการงานที่ที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวแล้วก็ปล่อยตามรู้สึกของการเคลื่อนไหวเราเดินไปที่รถเรา ท, ทํากิจวัตรในบ้านอะไรต่างเราต้อง ม, มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ต้องรอเราจะปฏิบัติทรรตอนนั้นนั่งสมาธิใช่ไหมเแาต้ก็ปฏิบัติธรรมตอนที่เราเคลื่อนไหวก็เป็นกลยุกต์ทั้งสองอย่างได้ที่จริงจะไม่ว่าจะ ไหนก็ดีนะไม่สามารถเดินแบบเส้นเดียวตลอดจะบอกว่าเดินีิปัจนายอย่างเดียวไม่ไม่ทำสมาี่เลยก็ก็ไม่ใช่หรอกที่จริงพอจิตมันเหนื่อยตอนนี้เราเดินเดินปัญญามากๆบางทีมันก็อยากพักมันก็จะไม่อยากไปรู้อารมณ์อยากจะพักแค่รู้ตัวสบายๆมันก็เป็นสมาธิของมันอันนี้แต่แต่ลงพ่อเทียนท่านจะกลัวคนิด คนติสมาถิพเพราะบางทีอาการสมาธิมัน <protein> ม <Jenny> <influencers S 2> ันเหมือนเหมือนน่ะเย็นเย็นสบายสบายไม่อยากออกแดดมันร้อนไม่อยากรุ่มลายเนาะแต่ก็ให้มันดูถห้มันมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจตัวเองเห็นกิเลสเยอะเนี่ยดีนะบางคนคิดว่าปฏิบัติทางแมันต้องสงบมันต้องนิ่ง ถึงจะดีแต่ถ้าตารเจอปฏิเสจริงยิ่งเห็นอะไรที่มันไม่ดีในในตัวเราเยอนะๆมันเห็นแล้วมันจะทันทันแล้วมันจะไม่เป็นแต่เราไม่เห็นนะมันเหมือนเราหมกไว้กโตโกตะกบหมกไว้กดไว้ด้วยสมาธิแต่เราเห็นนะเหมือนอ่ะลื้อขึ้นมามาควอดมาถูมันจะสะอาดขึ้นไปเลย ในทำกาปรปฏิบัติเนาะคือมันเหมือนกับเราเปลี่ยนความเคยชินของเราจากการที่เราหลงกันอยู่ทั้งวันมันเป็นการ น, นี้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นนิสยัยพอเปลี่ยนให้เป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็มีนิสัยใหม่นะนินสัยที่จะคอยมีนิสัยที่จะคอยมีสติเนี่ยคือนิสัยนี้มันก็นดาเนินไปชีวิตเราก็มีทำหนักชีวิตเราไป แล้วนั่นคือมันก็จะจบลงตรงไหนค่าจบลงไปที่เราไม่ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายที่เป็นเครื่องมือต่อไปได้มันก็จบลงตรงานั้นหน่อยนะแล้วนี่คือตรงนี้คือเราเหมือนกับว่าจะใช้อะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่วั่นคือเรากลับมารู้ตัวได้ไหมเราใช้อะไรก็าตามเนี่ยเรารู้ไหมว่าเรากําลังหลงอยู่นะก็ให้เราได้เหมือนแบบว่าหักตรงเนี้ยหักตรงนี้ยนะ ให่เราได้หักนั่นคือครูบาอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้หมายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้เราเป็นอะไรรู้อะไรมากมายแตกว่ารู้เพียงแค่รู้ตัวว่ากาลังหลงหรือเปล่าหรือว่ากาลังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าตรงนี้นะก็คือเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับถ้าเราเริ่มเริ่มต้นจากการใช้สติเราก็จะเริ่มเริ่มต้นเห็น แต่ถ้าเกิดว่าก่อห น, น, น ห, อหน้านี้เนาะใช่ไหมครัก่อนหน้าที่เราจะเปิด ก, การใช้สติเนี่ยไม่เห็นนะฮะจันนี่อาจจะเผลอไปเออเมื่วานนี่หลงไปทั้งวันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อกี้เราหลงไปหรือว่าตอนนี้เรากาลังหลงอยู่มันจะต่างกันนะและนี่คือตรงนี้ว่า Thank <laughs> you.